ไปเกิดในปรมโลกเจอกวาสิธีวาสิธีเลยแสดงภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูวาสิธีเคยบวชเป็นภิกษุณีที่บวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะหนีออกจาก บ, บ้านจะไปตามหากามันิตนะั่นจะหนีสามีนั่นแหล ะ, ะมากามันิตเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่วาสิธีเนรมิตให้ดูก็จําได้ว่าคือพระเฒ่แก่ๆที่เคยคุยกันในบ้านช่างปั้นหมอ น, นั่นเองแต่เดิมคิดว่าเ น, นี่ยคือสาวกปลายแถว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 อยากเรียนยากๆก็ได้นะเรียนกรมน ร, นกรมฐานเรียนธาตุกรรมฐานเรียนธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ก่อนธาตุดินน้ําไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราธาตุดินธาตไฟธาตลมเนี่ยรู้ด้วยกายธาต้น้ํารู้ด้วยใจธนะาตุพวกนี้เห็นไหมเริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วใครอยากที่ยากๆนะฟังต่อไปนี้ใครไม่อยากยากลืมๆซะพวนะกเราหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอา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 เมื่อท่านพาขัดเก็ดท่านบอกต้องใจเด็ดนะภาวนาเสร็จแล้วท่านก็เทศเทศเทศไปชั่วโมงพวกโยมที่ไปด้วยกันค่อยๆถอดหนีไปทีละคนสองคนนะสุดท้ายเหลือหลวงพ่อกับพี่คนนึงผู้ชายอายุมากแล้วพอท่านเทศได้ชั่วโมงกว่าๆวันนี้พอล้วันนี้พอแล้วท่านก็ถามเป็นไงนั่งขัดเก็ดเมื่อยไหม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 ใครไปทําอะไรนะสายรับคอยรายงานเอ๊สารับวันนี้อยู่แถวนี้เหรอคะหลวงอาไม่อยู่อ๋อไม่อยู่แล้วคะค่ะก็อยู่ที่นั่นก็พอดีคนไปเยอะค่ะหลวงอาก็เลยพอนาต้องแอบอยู่คนเดียวบ้างมันถึงจะดีขึ้นแต่แต่ก่อนนี้เวลาออกไปอย่างเนี้นะเขาเรียกว่ารีกเรนไปรีนี้รวมหมู่กันไปรวมกันได้หกสิบเจ็ดสิบคนไม่จะไปได้อะไรอ่ะ ก็ใช่ค่ะหลวงอาคุยกันคนละประโยคก็หมดชั่วโมงหนึ่งละนั้นต่อค่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมานั่นสุ่ว่ามันจะมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลวงอามัสุกมจิตมันยอมมากขึ้นนะคะแต่ดีที่นั่นตาวนาดีปาวนาง่ายหลวงอาจะไปอีกไหมคะที่นั่นสวยนะคะหลวงอาเอาสวยมาร่อไม่สําเร็จหรอกหลวพ่อั่นามาชวนเรื่อละแต่หลวงพ่อเขต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 เขาเคยประกาศในหลวงอาพร อ, อิญนึสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเขาทานเล่าแล้วเขาสามารถภาวนายังยังคลิปออนแท็กได้หรือคะหลวงอาแปลว่าอะไรคือน้องคือมีน้องคนนึงนะคะที่รู้จักคือเขาก็มาฝึกกับหลวงอาใช่ไหมคะแล้วคือเขาทานเล่าแล้วนึกก็เตือนเขาว่าไงไม่อยากให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาภาวนาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกเขามาส่งกรมมารบ้านหลวงอาแล้วเขายังสามารถคลิออนแท็กได้หมายถึงว่ายังยังภาวนาได้อยู่นเลยยังสงสัยนะคะหลวงอา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 โหตอนที่จะแก้มันขึ้นมาปรับตัวให้ดีขึ้นมานะไม่ใช่ง่ายนะงั้นไปบอกเ้านะหลูกหลวงพ่อบอกว่าคิดเล่าก็ภาวนาได้แต่ผลของอกุศลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนนน้นยกก่อนอยากทราบว่าที่ทำอยูปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อเก <c oughs> <c oughs> ือบเกือบแล้วเสียใจไหมไม่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 คนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วฟังซีดีลูกเดียวแล้วตื่นขึ้นมานี้เยอะมากเลยนะเยอะดีใช้ได้อ่ะข้างหลังขอโอกาสถามค่ะคือพอนั่งสมาธิแล้วจะดิ่งอะคะ่ะจะเคยเข้าวัดไหมคนนี้<ค>วัดอะไรหลายส่ง <laughs> <า S 2> ไม่ใช่ <laughs> เห็นไตเติลของเขาเนี่ยคือไตเิลของคนเข้าวัด <laughs> ขอโอกาส <laughs> ว่าไง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 แล้ ว, ลวตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีแล้วแต่ว่าอย่าตั้งใจเยอะแต่ไม่ขี้เกียจ น, นะไม่ได้บอกว่าให้ขี้เกียจ น, นะจ๋าก็รู้ไปเวลารู้อย่า ก, กระโจนลงไปดูอย่างสบายๆดูไปสบายๆนะเอาหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเอาเชิญโยกับบ้านไปขออนุญาตได้ไหมครับหลวงพ่อไหนๆว่าไปข้อสุดท้ายเอาใครอยากกลับเชิญกลับไปเลยเอรัไป